ใจที่ถูก บ, บังคับบีบคัน้นหรือกดทั่วอยูตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคัน้นกดทน่วไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ต่างกันจนไม่มีสมมูิใดที่จะเทียบได้เพราะจิตประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในวงสมมุติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นได้แม้จะมีข้อเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอย่างนั้นเองไม่ตรงตามความจริงที่เป็นอยู่ของธรรมชาตินั้น เมื่อโลกมีสมมติจำต้องมีควอเปรียบเทียบก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเราดูนักโทษในเดือนจำที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเก้าเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้างแม้จะมีการหัวเราะกันบ้างด้วยคำพูดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หัวเราะก็คือนักโทษหัวเราะนั่นเองฟังแต่ว่านักโทษไม่ใช่คุณพาหัวเราะโทษพาหัวเรา มันถูกกดขี่บังคับอยู่ในนั้นหาความถุกความสบายที่ไหนมีนั่นเนี่ยเมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับ อาหารที่เขานาไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจาเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมอาหารที่เขานาไปเลี้ยงนักโทษนั้ น, นอาหารที่กิเลสนํามาเลี้ยงจิตใจของเรา พอให้ทรงตัวไปพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนเพื่อจะเอาการเอางานจากกิต ด, ดงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษ น, นั่นแหละอาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยา หรือมาพอปะทังชีวิตของเรายังเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้นแต่นักโทษถ้าจะพูดในแง่หนึ่งยังดีกว่าเราที่เขายังรู้ว่าอาหารนี้กินไปด้วยความจําเป็นจําใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความ ชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติ ติดรูปก็มีรถอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรถเครื่องสัมผัสต่างๆล้วนแล้วแต่มีรถอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รถที่ว่าลิ้ลมรถอย่างเดียวเท่านั้นรถที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกันจิตใจมีความปิด มีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรถที่ทำความผูกมัดที่ทำเป็นเป็นที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรถของจิเลสทั้งหมดเราจรึงติดไม่มีวันที่จะทราบ โทษของรถเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยกคายไปตามลำดับกาดากี่กับนับกันไม่ได้ก็ตา่างจะต้องเป็นผู้ติดรถและเพลิดเพลินในรถโดยไม่รู้สึกเนื้อสุดตัวตลอดไปนี่แหละความแยกคายความแหลมคมของกิเลสแยกคายแหลมคมขนาดไหน ถ้าอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอย่าลืมคำที่พูดนี้หากจะประจักษ์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจากการปฏิบัติจริงของเราจะไม่พ้นไปได้คำที่ท่านว่ารถแถทำทำห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงนั้นฟังให้ดีรถแห่งธรรมเป็นอะไรจึงต้องชำนะซึ่งรถทั้งปวงก็รถเหล่านี้เป็นรถ อาหารของนักโทษในเรือนจําผู้ถูก ค, คุมขังอยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยอํานาจของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่รสที่จะเป็นพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่เป็นรสที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรสแห่งความจริงมันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปัน้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รบับได้กินปุ่นง่าย ่าไม่ใช่รถแห่งธรรมแท้รถแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเป็นเริ่มเป็นรถขึ้นมาแล้วความสงบมากน้อยในขั้นสมาธาิแต่ขั้มขั้นสมาธานี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเอง เชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นพื้นไปโดยลําดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆคนนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรถแห่งธรรมคือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพรอจิตมีอาหารคือความสงบ เป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรถต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลํากับลาดาเพราะรถนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรถทั้งหลายนั่นอยู่แล้วยิ่งจินได้พิจารณาแยกแยะโดยทางปัญญากระจายกันออก ตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอาจุพะอาจุพังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ถามในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอาจุพะกรรมฐานขี่คลายดูสกลากายทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นจัดอื่นไม่เว้น เพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดาลแล้วรถนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรถแยกขายนอกจากเป็นรถแยกขายแล้วยังเป็นรถที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วยตามธรรมดาของจิตเมื่อพิจารณา รู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้วย่อมปล่อยวางการไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นตรวนของกิเลสมันมัดไว้มันเสกสรรปั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน่าเกลียด เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์งังความเป็นบีบบังคับคือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาของแผลกิเลสมันไม่พูดมันไม่บอกไม่เสี่ยมสอนตามหลักความจริงนี้แต่มันจะนําหลักวิชาของมันเข้ามาแทรกซ้อนกับธรรมหรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงาม เป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลำดับตําดาเพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามคนมายาของมันโลกของเงาเป็นโลกที่ติดอยู่ในคนมายาของกิเลสมีทั้งหมด เมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอจุพะดังที่กล่าวแล้วนี้และโดยทางตรลักคือในจังทุกของนาตาแยกแยะหุดคน้นทวนย้อนหน้าย้อนหลังตลกทบทวนหลายครั้งหลายหนด้วยสติด้วยปัญญา เพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้เปิดเผยขึ้นมาตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ใช่เป็นของปลอมเรื่องของปลอมความเห็นที่ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างๆไม่ใช่เรื่องของธรรมเราจะเห็นความความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ่มเหาะเอาไว้เช่นความสวยงาม หลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของสกปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชั้นล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสกปรก พกลุ่มแรงไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของโสกระปรกโสโครกประดกาางันเช่นสบงกีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกระปรกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นค้ามจริง นี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงนี้ยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันปลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี้เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้มาแข่งกับความจริงคือทําลังดูดีจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่ง ว่าเหนือธรรมยิ่งยิ่งกว่าธรรมนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้นธรรมจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมันเหนียมนาเหนือนกว่ามันหนาแน่นกว่าปิดบงังไว้อย่างไม่ชิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพรางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเฉกสันปั้นหย่อขึ้นมาว่าเป็นของสวยงนามเป็นของกิรังถาวรไปได้ นี่เราเห็นอย่างชัดชัดระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสําคัญเพราะกิเลสแท้อยู่ครับจิกระจายอํานาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสา ก, กระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราไปหมดกลาเป็นของสวยของงาม หน้าก็ยิ้มยิ้นย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพลงกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าฟุตบอลเป็นไหนไหนแล้วหาความสุขที่ไหนจากการยิ่งเต้นเพ่นกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าธรรมของพระพุเทธเจ้าปลูกสร้าโลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้ นั่นแหะที่ว่าสวัขาโตพระกวตาทธาโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังเลยละบลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้อา้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงือที่ไข่เป็นของดีแล้วหรอือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรอือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไง แล้วดูเข้าไปจนมาะทั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี่มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆ ท, ที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำพระพุเจ้าได้ถ้าทำไม่เป็นของจริงาทามาพระพุทธเจ้าไม่ตรัดไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงๆเมื่อได้ยัง ถ้าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจรารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดทาใจของเราไว้บางครั้งที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิกูลเต็มตัเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยขอ ง, งานาให้มันแตกกระจายไปนี้เป็นยังไง เพียงหมดลมหายใจฉะนั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนนั้เห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าแต่มนุษย์ไม่ว่าแต่สัตว์มันเหมือนๆกันนี่วิธีขุดค้นสิ่งปิดบงังเพื่อเห็นความจริงคือทำแท้ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นทำแท้ไปโดยลํำดับลํำนาเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้ว เพราะเป็นโอชารสแห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสมบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพ่งกระโดดไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหอิมไม่ดิ้นรนกวัดแกลงไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจนี้เมื่อได้ใช้ปัญญาพิจพิจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนี้ เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรถเป็นชาติที่ละเอียดละ อ, อ่เข้าไปโดยลําดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลกายนี่ล่ะที่ว่ากรรมาฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สารโลกติดอยู่ติดตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วจึงจะไปติดภายนอกหมอพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้เป็นลําดับกําดาไม่หยุดไม่ถอยการพิจารณา จนกระทั่งได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจา ก, กระเด็นออกไปเองด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างประจัดใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงตั้งหา เมื่อความรู้ได้อย่างเราเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีอนทีอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอํานาจของสติอํานาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไรจิตยิ่งมีความเบาวิววิววิวเกิดความสลดสังเวช โอ้โหได้ติดมาตั้งแต่เมื่อไหรทําไมจึงกล้ามาเสกสรรปัญยอเอาอย่างหน้าด้านๆอย่างนี้นะว่าเจ้าของเองนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทําไมจึงต้องเสกสรรพัญญอได้อย่างนั้นเป็นเพราะอะไรมันก็รู้เรื่องจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดนั่นเองเพราะปัญญาเป็นผู้อย่างลงไปจะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไรอา้าวถ้าจะแยกออกไปให้มันแตกก็จัดกระจายก็เห็นได้อย่างชัดเจน ป่าชาติผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าชาติผีตายดูได้ที่ไหนอ่ะดูไปตัวโลกกระถางนี่ที่ไหนไม่มีป่าชาศาสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าชาผีดิผีตายอยู่ที่นั่นเพชรณาให้หลว ง, ง, งถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้เหรอสําหรับเอามาใช้เพื่อหรือเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ดหลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษทีท่ถูกกิเลสควบคุมทําไมจะทําไม่ได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับมนุษย์เราจึงต้องประทานพระโอาวาทไว้กับแดนแห่งมนุษย์เห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสตราประธานธรรมมาไว้ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เราแล้วเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เราแน่จะอยู่ได้ว่าเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นพระยังเป็นผู้ปฏิบัติอีกทําไมจะไม่สามารถ ว่าเอาของประเสริฐแห่งธรรมรสขึ้นมาชมขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตนถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกบีบบังคับอยู่ในหัวใจใดไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่หรอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาละทูลังทั้งหมด ที่เราจะปลดเปื้อนจะมอบให้ใครมอบให้ทุกหระทุกก็มีอยู่กับหัวใจนี้แล้วนอกจากจะถอนทุกออกด้วยความเพียรทุกถึงไหนถึงกันทุกด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกที่บีบคั้นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหนไหนขุดลงไปหน้าปฏิบัตินี่ขั้นขั้นของการพิจารณาประชารั ท่านสอนให้ไปดูปา่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็ได้วกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตน ม, มันมีไปหมดนอกจากร่างกายเราเป็นป่าช้าพิดิบแล้วอ้สัตว์สาลาสิงมันเต็มอยู่ในท้องของเหล่านี้มีอะไรบ้างมันจุ ก, กันมานานร้อเท่าไรป่าช้าตรงนี้ทําไมไม่ดูรู้ไหมมันเห็นชัดเจน ความเป็นอสุภะอสุภังความเป็นนิจังทุกขังตากรองอะไรนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยแยกไปทางความแปรปรวนคือนิจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพในตระหเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจกนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามานกนยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาหยุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเรา ต้องรู้ต้องเห็นทุกขังอวัยวะส่วนไหนพาให้มีความสุขความสบายมีไหมอนาตานั่นทาา่านประกาบไว้ชัดเย็นแล้วอย่ายุ่งอนาตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานี่นยาไปเอื้มอมยาไปจาบอันนั้นเป็นพิษเป็นพายยาไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเอาเป็นของเรา นั่นคือปีตือไผ่เมื่อว่าเราเป็นของเราเมือ่อไหรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างทุกขังตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับไม่ไปแตะไปต้องถ้าปล่อยวางภาระทุลังคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอนหนะักนั้นออกมาได้โดยลําดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลําดับก็มีความเบาขึ้นโดยลําดับสบายขึ้นโดยลาดับโอชาโรต ของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลำดับละเอียบยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีนึง เ, เมื่อรถแห่งธรรมเหนือรถของจิเดชประเภทนั้นๆไปโดยลำดับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยปล่อยกันไปเรื่อยปล่อยกันไปเรื่อยรูปขันเป็นตั้งขันทำจิตให้ก็โท์กระเทือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ ชัางก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตดังค่ะเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องรูปประขันนี่สําคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่ไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจรึงต้องพยายามทําจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดพันหันแหละกันลงไปยาเสียดายเวลาเวลายาเสียดายวัฏฏสงสารยาเสียดายเรือนจํา อยเสียดายตลาดอย่าเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวขี้เหล็กแต่ละประเภทตเพศนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้ก็าตามถือเอาหักปัจจุบันนี้ปเป็นตัวการสัมพันแล้วจะกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป อย่าประสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอยาลดละไว้หล่งอย่าเห็นจริงได้มีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากชิงบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสียชันก็ตามเฉยชัยนก็ตามไม่ติดไม่เป็นภาณัไม่เป็นอุปทาน เอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละท่านโอชาโรอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอ น, ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องผัวพันกันออกไปเดิมดั บ, ดบทากถางเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่หุ่มหอนานแน่นอันหนึ่งก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทําลายกองรูปนี้ไปได้โดยลำดับดั บ, ดบและทําลายไปได้จนกระทั่ง ไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเหมือนกับเรามีต้นทุนอย่างประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้และในวันใดวันหนึ่งด้วยไม่ได้คาดว่าปีน้้นปีนี้ด้วยถ้าลงกิจได้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นที่แน่ใจค้ามเพียนมาเอง ความทุกข์ความยากความลําบากเพราะการประกอบความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอํานาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจักบใจเนื้อกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นด้่ไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกยดคลาเพราะความเกยดคลานเป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมต่อสู้ธรรม เราจะประกอบความภาพาเทียนความขี้เกียจขี้ค้านความมมอนแอ่ความท้อแท้เหลีวไหลความทุกข์ความลําบากยึงปันดังกันเข้ามาบีบังคับให้ก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล่มตูมลงอืมแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ําหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสือลงหมอนหลับเาขาครอกแขกแขกร่วนแน่เต็มๆถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอ า, เอาฟันเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียงไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัตฏะสงสารจมอยู่ในเรือนจำคือวัตจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หามันเป็นอิสระไม่ได้เพราะนั้นจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสําคัญอยู่ที่ความเพียรที่สะที่ปัญญา ควาอดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบุกปือนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายัางทนได้ทุกแทบลงแทบตายในร่างกายไม่มีใครที่มาอดมาทนให้เราเราจําก็ต้องอดต้องทนมาเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรอแล้วความอดความทนในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ทําไมจะไม่พออดพอทนเพราะทนเพื่อจะประกอบความเพียรหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทำไมจะทนไม่ได้วะนี่เอาให้มันหนักแน่นที่หัวใจของพระ เพราะใช้นักปฏิบัติถ้าลงเห็นภัยตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลําดับลาดาต่อกันไปด้วยองของเปลี่ยนของเรานั่นแหละเมืองต้นให้ฟาดฟันทางเรื่องกรรมฐานนี่ให้มากเพราะเป็นปากเป็นทางได้ น, นี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันสี่เวทนาสัญญาสังขารมิยัน มันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีมันเวลาพิจารณาร่างกายนี่ทําไมจะไม่ยิ่งประสานกันเพราะทําเดี๋ยวเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจรงต้องมาพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารนั้นอย่าไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทํางานจ่อลงจุดใดแล้วมันจะขัดเคื่อนกันหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากทำแต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทําความจริงเข้าไปทําลายความจำเปอมของยิ่เลสตัญหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทําเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วถิ่นเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารมิยานี้จะเด่ น, นก็ได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้ว เวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนาในเวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่ง น, นานๆมันก็รู้เราอยากรู้ลราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันทัดเทยมถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกข์ต้องต่อสู้ด้วยปัญญา ต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จักว่าเป็นมากมากคือสติปัญญาทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาเจออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงพนานันเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนพากิจเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขา อ, อ, อย่างนั้นอยู่แล้วเมตนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร ภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมายแยกจิตได้พิจารณาโ ด, ย, ดยทางปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนในขั้นนี้แล้วก็ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นโทษต่อกันที่ตรงไหนกระทบกระเทือนกันได้อย่างไรไม่กระทบกระเทือนกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจคือจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะไม่ระงรับดับลงไปก็ตามสาหรับเบทธนาะ ก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ทําความกรโทบเทือนจะ่กิดให้หวันไหวได้เลยนั mm ่น hmm. นั่นคือเห็นความจริงหลายครั้งหลาผลก็สามารถถอดถอนอุปทานความยมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้แล้วเวทนาทางกายมันเข้าไปได้ด้วยกัน mm hmm. ก็จะเหลือแต่เวทนาทางจสัญญาสังขารเป็นสําคัญเวลาผ่านจากกายเวทกา ย, กายนี้ไปแล้วรูปประคันนี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขาร ความคิดความตุมเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจารณาเหมือนเราเรารับทานนี้อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วจิตเราก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสน้ำพันยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยเไปจกนกระทั่งอิม่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดไม่ว่าอาหารหวานขาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อร่างเมื่อใจได้พอกับ สิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาสิ่งนั้นแล้วพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับรอาหารประเภทนี้แล้วเมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเภทอื่นไปอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณานี้ก็เพื่อความปล่อยวางสังขารคือความคิดปรุงอยู่ภายในจิตปรุงดีปรุงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนอยู่กับหลงเรื่องของตัว ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดพนา จ, จิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้กวนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปณมายาของกิเลสประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ เอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนั่นสัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเป็นเช่นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจข้างมันไปเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะสะพานทาง รูปประขันก็เท่ากับตัดสะพานทางรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเข้ามาโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่ยังเหลืออยู่อยู่ภายในจิตก็เพียงก็เพียงพวกเวทนาสัญญาสังขารบิญญาอันนี้มีอยู่กับจิตล้วนๆพิจารณาอยู่ในจุดนั้นด้วยปัญญาไม่คุ้นเคยไม่ทำความคุ้นเคยกับอาการใดในสี่อาการคือเวทนา สุเกิดขึ้นมาก็าดับทุกเกิดขึ้นมาก็าดับภายใจิตนั้นท่า น, นจึงเรียกว่าออ น, นิจจาอา น, นิจจาหรืออนัตตานัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนัตอานิจานนจาทุกข์ขอนัตตาเหมือนกันทั้งขังอา น, นิจจาทุกข์ขอนัตตาวิญญาอา น, นิจจาทุกข์ขอนัตตาเหมือนกันเราจะคิดอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรู ป, ปรขันนี้พิจารณาหลายครั้งแล้วหมันก็ยิ่งตะล่อมเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิต นี่แหละการไล่ทิเลตตีต้อนทิเลตตีเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายผุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วทิเลตหาที่หลบั่อไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตเ น, นั่นจิตก็หมุนที่เข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองผูดน้ง่า ย, ายเห็นไหมท่ามัมมมโนมโนท่านก็ไม่ให้หยุดนฟังสิมโนก็เป็นอนิจจังทุก ข, ขนักตานั่นทางที่มโน ไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงก็เมื่อกิเลสทั้งกองทับมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือว่าจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่ในนั้นเราเราพ้นไปได้ยังไงนี่อ่ะซึ่งมากธรรมะข้อนีน้นี่ในขั้นพิจารณาจิต ก, ก็เป็นอันนี้ยังต้องของัดต้านด้วยกัน เราะกิเลสมีอยู่ภายในนั้นอาา้าฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะชิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นพระจักด้วยปัญญาของเราเถะิะนั่นแหละตอนกิเลสที่เป็นยอดวัฏจกักรพี่เป็นอวิชชาท่านว่าอาวิชชาปัญาสังขารนั่นแหละเชื้อแห่งภพแหงชาตมันสังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสะพานั้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตาก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญา ทีเลือหาทางออกไม่ได้ไปไปรักคู่รักเสียรักถิ่นลดเครื่องสัมผัสก็ถูกตาสะพานหมดแล้วรู้เท่าตามไปจริงไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในเห็นยวมาติดถึงรูปประคันนี่เนี่ยก็พิจารณาแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเมตนาสัญญาสังขารนิยานก็พิจารณาไล่ตั้เข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังตุกขังตาเราหมดแล้วมันอยู่จุดไหนทิ่เลืมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงใหญ่คือจิต ปัญญาก็ฟาดลงไปนั่นนะ่ะจิตเป็นเราเหรอจิตเป็นของเราเหรอนั่นฟันลงไปเอาเวลาจะคิบหายก็ให้คิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะคิบหายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแต่กระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จำปอนทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจรงิงล้วนๆของจริงอันประเสริฐคือจิตที่บริสุทธินนน์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละทีนี่ แต่ว่าอ น, นิจจังทุกขังตัตาหรือไม่ว่าก็าตามเถอะขอให้จิตบริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมติไปแล้วอ น, นิจจังทุกขังตะตานี่อยู่ในบงสมมติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคำที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ๆทั้งๆที่รู้ๆอยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่นี่นั่นแหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัตจกักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสําคัญมีใจเราเป็นสําคัญ หรือถอนออกที่ตรงนี้ปวดเครื่องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยประจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจึงเรียกว่าอาการิกีกติจอาการิี่กระหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้น ทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสแห่แหลกแตกกระจาย์ไปหมดแล้วทําไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใหญ่แล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังประทังชีวิตทําไมจะไม่รู้ฮนี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเจ็สันตัญยรุษมันมาเยียวยาเราพอประทังชีวิตมันเป็นอย่างนี้รสของกิเลส รถของธรรมเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้นนั่นแหละเมื่อสรุปความลงแนวจิตที่อยู่ในอำนาจของวัตตจักคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจึงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือกิเลสนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงหาอะไรเทียบไม่ได้ แม้เช่นั้นท่านก็นยังยกว่าประเสริฐประเสริฐซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่า น, นี่แหละระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมบังคับกาจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทางมุ่งมาศึกษาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักอนิจจังทุกขงังตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วไตรโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุดีดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเสกสรรตัญนยอก็เป็นหลักธรรมชาติของตนเอง พอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารถแห่งธรรมชนะหซึ่งรถทั้งกลวงรถที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรถชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดต่อยทั้งหมดเพราะไม่มีรถอะไรเสมอนี่แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดนี่รถที่ว่าประเสริฐนี่ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้น เอาเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพรีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพีก็ตามเราเคยพรีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เ ป, เป็นอยู่เวลานี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัญญาสั้งขลา ที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นต่อภรต่อชาติเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าศูนย์มันศูนย์ไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าประจักษ์ไปยาพูดตามกลมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกผว่าบ้าตายแล้วศูนย์นั่นมันปิดแล้วในกิเลสมันศูนย์ไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในนรกต่างาๆนี่มันศูนย์ไปไหนทีเลส แล้วกิเลสบังคับอะไรถ้าเราบังคับจิตจิตมันสูนญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้อย่างไงมันไม่ศูญที่มันถึงบอกบมันถึงบังคับให้เกิดจากอย่าตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่สอยทาไมเราจะไปหลงกลมายังกิเลสว่าตายแล้วศูนย์อืญพิจารณามันถึงความจริงที่อะไรศูนย์ไม่ศูญใคร ม, มันรู้นี่จริงเดียวว่านักธรรมานักค้นขว้าพิจารณาถึงความจริงดงังพระธเจ้าที่พระทรงป ร, ประกาศสอนธรรม ท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่พึงพอพระไยัยแล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไม่ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์นั้นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดแก่เ ก, เกิดตายเกิดแก่ตายอยู่ท่านสอนไปทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้ศูนย์ได้อย่างไรการเกิด การตายการเกิดการตายเกิดเกิดตายไม่อยู่ไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกไนดะ้ว่าอาวิชาปัจจัยสร้างฆาราสรราปัจจัยเป็นต้นนี่นี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในปิดทาให้เกิดอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยพอทำลายวิชาปัจจัยสร้างคารางไปแล้วเป็นยังไงวิช า, าจะตะเวบาเซเสสวิดาการิโดทาสร้างฆารานิโรโทนั้นพอวิชานั้ดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรแล้วดับไปหมดนี่โรโทโหแต่เออนี่นั่นว่าไง หรือว่าหรือว่าเอลเมต ต, เมตัสตะเอวัสัะลูกข้าน์ตัสตะนิโรธโห ต, โตินะในอวิชชาพอวิชชาดับไปทั้นั้นทุกสิงทุกอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้ย่างไงนั่นทีนนักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกทาตมาค้านก็ไม่หวนถ้าลงได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้ยังไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลก เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสนาของโลกได้ทั้งสามโลกกะาะ t นี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเ อ, อะไรมาสอนสอนด้วยความอาถรนไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหนเพราะนําความจริงมาสอนโลกไมไ่เอาความปลอมด้นเดามาสอนนี่การทูรมาตนี้เป็นเป็นวิชาของอวิชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปตามมันหลักธรรมแทไ้ไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งเรียกว่า สิ่งเหล่นั้นเป็นของปลอมทำเป็นของจริงกิเลสมันปลอมทั้งเพริ้ร้อยทั้งร้อยปลอกทำจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดี่จึงเดินสวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต้องเป็นค่าสึกกันการปฏิบัติประกอบความปเปลียนไม่ลบ ก, กับกิเลสจะลบ ก, กับอะไรนี่คือค่าสึกไม่ลบ ก, กับอันนี้จะลบ ก, กับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นค่าสึกต่อธรรมเป็นค่าสึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นค่าสึกต่อเราข่าสึกธรรมนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกัน เมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัรใช้ธรรมไปทําไมแต่พราะอย่างยิ่งกิจสงสัยอะไรถ้าเกิดถ้าสูญสูญที่ไหนให้มันรู้อย่างงี้สินักปฏิบัติเอาเป็นจริงมันจากเลยนะทารุ่มรุ่มดอนๆอนเห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งนี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของธรรมขึ้นม ะสมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์ศาคนได้พรีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วนํานำดำเนินตามหลักธรรมธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้มหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราเทนี้เมื่อทำครองใจกับพิเรสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทำครองใจคือประเสริฐเลิศน ครับสุขของธรรมตาต่อไปนี้ให้ท่านปัญดาอธิบายให้เพื่อรนะั